ไม่ต้องไปหาบาตหาจีวอหาจะ บ, บงไม่ต้องไปเตรียมซื้อจมงจีวอซื้อบาตรร้าน อ, อิจุหลีจือเหลอนทางนั้นอะ่ะพุทธเจ้าสั่งเลยเพราาขอบวชท่านทั้งหลายจงเป็นพิกษุมาเถิดทำแเรากล่าวดีแล้วจงมาประพฤติคามจจริงเถิดถ้าเป็นอาลัยนะทำไปเป็นไรก็ ยงมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์ไว้ยอย่างนันขอบพระพุทธเจาตรายางนั้น่ผ้าสบงจีวันบาทบริคารหวาพลุงพลังสู้หขมคติกว่ากายเลยนี่ว่าสําเร็จโดยฤทธิ์สำเร็จด้วยทานของบุคคลผู้ที่ไดบริจาคทานมาตนข้างหลังจึงได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีพายเย้ำไม่ได้ได้แต่สําเร็จอราน แล้วก็พุทธเจ้า ก, ก็ไปหาผ้าสมงัติวานมาสิหาบาดจีวอนมาสิแล้วจากพุทธเจากก้าเขาจะไปสแสวงหาผ้าสมบัติวรก็ไปถกงัวไม่รู้อ่อนคิดเอาตายของงัวไม่รูกอ่อ น, อา ต, าอออนตัวนั้นมันเกาะมันเป็นยักษินีเหมือนกันนะมันไม่ใช่งวงงวธรรมดาเป็นยักษินียักษินีตัวนั้นมันมีความพยาบาทอาฆาตกับ ภรรยะอยู่แต่ชาติอดีตโน้่นได้สร้างกรรมอ้ยักษีนีนะมันเป็นนางโสพินีนางคณิกาภห้ยะกับเพื่อนๆก็เอาไปบำเรอหาความสุขตลอดวันแล้วก็ให้รางวัลแกมันให้เงินทารกคนสุท้ายก็บอกว่าเฮย้ยอยาให้มันทำไมจับมันคาทิงซะ ก็จับคาผู้หญิงคนนั้นก็อาฆาตมาดลายโหพยาบาทไว้ถือรลางกันที่จะต่อสู้ทางกายไมไม่ไหวแล้วเขาจับที่จะบีบคอให้ตายก็ตายแต่ว่าใจมันไม่ยอมมนณะมรณะพยาบาทแม้สู้ทางกายไม่ไดกก็ทางวาจาก็สู้ไม่ได้ทางใจไม่ยอมเป็นอาฆาตบอก็ตอ น, นี้ไปขอให้กระเ้าเจร แม่แค้นมาให้ได้ข้าพเาจ้าเป็นยักษ์ศีสามารถทำลายไอหมอนี้ให้ได้โห่ไวอย่างนั้นนั้นยักษ์ศนีตนนั้นแม่โสพีนีตนนั้นมันไปเลยแล้เกิดไปเป็นยักษ์ศนีทุกชาติทุกชาติที่เดียวมาทำลายชีวิตของพ่ะพายยักกับเพื่อนอีกสามคน ขาวขาวนี้ก็อนนั้นทีนี้ก็ตามมาทันเหมือนกันแต่ว่าท่านไนด้เสด็จละหันนาทีนี้เมืําเนด็จลหันแล้วก็เป็นว่ากรรมเบญนมันจบลงแค่นั้นไม่มีต่อไปแล้วอันนี้ก็มือภัยยะก็ถึงแก่ป่าความตายพระบิดาเจ้ า, ารู้ข่าวก็พาภิกษุสองไปในะสถานที่นั่นสั่งให้ภิกษทุทั้งหลายเอาเตียงอไปยังไปหามไปไปเผา เมืาเสร็จถามแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามปาสายกันน้อยเอ๊ะพระหายะนี่จะเราจะเรียกว่าไงเรียกว่ากระหัสดหรือเรียกว่าบรรณชิตหรือเรียกว่าอย่างไงบอว่าเป็นบนรรณชิตก็ไม่ใช่เป็นครหัสดก็ไม่ใช่เพราะว่าท่านได้ปฏิบัติธรรมอธิใจยังตรัสว่าการเป็นบนรรณชิตหรือเป็นกระหัสทั้นไม่ เป็นปัญหาเป็นปัญหาอยู่ที่ด้านจิตใจจิตใจเข้าถึงความเป็นระยะคือละกิเลสได้ถ้าสังโยชน์ขัะกายทิฏฐิวิธิกิาสาเทวบัณตา ร, รมาตปารมาตรลกป ร, ราคาอรูปาราคานะตลอดถึ้งสัง้งยังโยชน์ทั้งหมดสิบนั้นได้หมดแล้วก็เรียกว่าอริยบุคคลจิงเรียกว่าสมณะ นี่คือพระพายาคนที่สามแล้วคนที่สองคนที่สามก็เอวกมมุกมาแลก็สปะเป็นลูกของนามพิสุนีนามพิสุนีนั้นครั้งแรกก็อยู่ในตระกูลในเกิดในตระกูลพ่อแม่มั่งคั่งสมบูรณ์ใ น, นทรัพย์โคคา เป็นลูกสาวคนเดียวของตระกูลเมื่อเป็นสาวถึงเวลาแล้วก็จะขออนุญาต จ, จากพ่อแม่บวชพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตก็เลยให้แต่งงานกับตระกูลที่เสมอกันก็ไปแต่งงานก็จําแปลใจแล้วพ่อแม่ให้ทําก็ทําตามนะทั้งทั้งที่ใจไม่สมัคร ก็ไปอยู่ในตระกูลผัวแต่ก็ถือว่าได้ผัวอย่างเทวดาวผัวใจดีแล้วอ้อนวอนขอผัวขอบวชทั้งทั้งที่ไปเป็นภรรยาเขาแล้วในร่วมบรเวณีกันเรียบร้อยแล้วแต่ก็ขอจนผัวอนุญาตผัวอนุญาตก็ส่งไปบวชไม่รู้ตัวเองว่านั่นเป็นเริ่ม เพิ่มต้นตั้งครันแล้วตัวเองไม่รู้จักถ้าพอดีสามีของแกก็พาไปบวชในสำนักของพระเทวทัตซึ่งเป็นหัวหน้าเอาบวชเข้าแล้วตอนนั้เป็นน้ำสินีก็เลยก็ท้อมพองขึ้นพองขึ้ น, นะจิตดีนี่น้ำซุนีเห็นแล้วก็ถามมีเรื่องอะไรแกก็บอกว่าพันก็ไม่รู้แล้ว แตาอยู่ไปอยู่ไปท้องมันกระพองห้องมของเพงิ่มเหมือนก็ไม่ได้เล่าเรื่องหลังเลยสุดท้ายเขาไปบอกเ hey, ทวทัตเทวัตบอสัง่งให้มาศึกซะนามพิจุนีก็ร้องไห้บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้บวชอุทิตพระเทวทัตนะแล้บวบุธธุรที่พุทธเจ้าขอพระแม่เจ้าทั้งหลายพาข้าไปเจ้าไปเฝ้าพุทธเจ้าเถอดนามพิจุนีทั้งหลายก็พาพิจุนีสาวนั้นไปเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้ารู้ พอรู้แล้วเพื่อจะกันกระหาประชาชนทั้งหลายจึงเรียกนางวิสาขาพระเจ้าปรสันที่โกสนอ น, นาธมเกศถีละัตะกูลของเศรษฐี ใ, ใหญ่มาประชุมกันแล้วสั่งให้พระอุบารีซึ่งเป็นผู้ชำนาญในพระวีนันให้ไปวิ น, นีฉใช้โทษว่ อ, อ น, น้ํนาสุีนนจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ ข่าีท่านก็สั่งสั่งให้นามสาขาเป็นผู้ตรวจนามสาขาเขาก็ให้กั้นมานำน้ ำ, นำพิษุนีนั้นไปตรวจว่านับเดือนวันปีว่ามีลูกไป ต, ตั้งคันเท่าไหร่ก็ดูที่มือดูนิ้วมือดูที่สะดือเขาตรวจวิธีตรวจครับกามีลูกตั้งแต่เดือนไหนมาเท่าไหรอนับก็บคหนวณได้ว่าโอ้อย่างนี้ก็ต้องไม่ใช่ เมื่อมาบวชนี้มันมีเวลาน้อยแต่ว่าลูกนั้นไม่มีตั้งห้าเดือน6เดือนแล้วพอรู้ได้ทันทีว่าลูกนั้นได้มาจากสามีในขณะที่เป็นคือหัดนั้นก็โถนหากุติก็ประกาศให้พระจ้าประสนที่โกศนพร้อมโดยเศรษฐีเข้ามาดีทางหลายทราบว่านางผู้นี้นะเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่า ไม่ได้เสียตัวไม่ได้เสียพรหมจรรย์นในขณะที่เป็นนามพิษุณีอยู่นั้นแต่ว่าได้เสียตัวมันตั้งก่อนปอนบทนั่นเ็ลยพระติใจาได้สั่งให้พระเจ้าไปรเศรษฐีโคศนั้นสร้างปิติที่อยู่อาศัยให้แก่นามพิษุณีทั้งหลายให้อยู่ในกรุงสาวัตถินั่นต่อมาต่อมาก็นามพิสุนีคลอดลูกเี่เขคลอดลูกพระเจ้าไปรเศรษฐีโคศน์ก็เอาไปเลี้ยง อยู่ในา้ำตั้งชื่อว่ากุมาแลวครัดต่อมาท่านก่ อ, อไปบวชบวชอายุเจ็บขวบนะบวชแล้วก็ได้บาเพ็ญสมณธรรมก็อาศัยภานาคามีนั่นมาบอกอีกเหมือนกันมาประทานมาบอกสั่งปัญหาสิบห้าคอ ให้ไปโทนถามคนทเจ้าค5ะส้าพอดูจะเกี่ยวเนื่องด้วยร่างกายจอมปวกอันหนึ่งเห็นว่างั้นกลางวันน่ะเป็นกลางวันน่ะเป็นไฟกลางคืนน่ะเป็นควันว่างั้นหมายถึงรูปร่างกายของคน ที่ว่ากลางวันเป็นไฟก็หมายถึงร่างกายนั้ไปทํางานกลางวัดเป็นไฟกลางคืนก็ต้องคิดมาปรงุงมาแต่งที่จะต้องทงาอํางานนั่นเองคร ม, มาและครูสปาเนั้นก็ได้ปัญหา15ข้อของพระนาคามีที่บอกแนละ้วไปทูลเทวติจาข์พอทูลพุทธิจาร์ก็ได้สำเร็จรหันเลยหมว่าคร ม, มาครูสปานั้น พอดจากท้องแม่แล้วก็ถูกพระเจ้าปริเศนที่โคศนนำไปเลี้ยงเหลียวพาภาคจากลูกก็เกิดร้องให้น้ำตาไหลทุกวันนี่พอกูนากรสปาท่านบรรูกอัลหันนะจริงอันเดินไปนม้งสุนีเห็นลูกตัวเองอะไปบินทบาทไปเจอกันพอดีแม่ก็แล้วลูกลูกลูกลูกลูก ขมาแล้วก็ฝากกขมาคิดไว้ถ้าเราพูดกับแม่ดีๆแล้วก็คงจะขีปายไม่ได้พูดคํว่าดีดีกว่าววบอกว่าไอ้ไรบ่นวันเนินนานแล้วทำไมาจึงตัดแม่ตัดลูกอะไรไม่ได้ขาดที่ละเล่นความาดมัววาอะไรอยู่ลูกไม่เห็นมีหามาหาผลให้เกิดตัวเองเนี่ยมั่งห่วงอะไรลูกๆเต้าๆอย่างนี้เท่านั้นแหละแม่กเสียอกเสียใจบอกอ้าเราคิดถึงลูก มาถึง12ปีเลยนะขนานี้อาย12ปีลูกนด้พูดว้าจายาบเหลืเเอเกินตัดอะไรในลกูกซะเลยพอตัดอะไรท่านเรก็บอรมเ พ, พนพระนาเดชสมงเดินละหันวันคืนวันน้นเหมือนกันนามศรีอันนี้ลูกกับแม่อันนี้มุกุมาคาปะก็ได้บอมเ พ, พนสมาธรรมกับเพื่อนๆ น, นี่คน ในนี้ที่ที่ปรากฏชัดและยังอีกสองององหนึ่งลูกจะเป็น เ, เกิดมาแล้วไปเป็นดาบุตอีกองหนึ่งเป็นพระราชาก็ ไ, ได้ฟังธรรมก็ได้สําเร็จลหันเหมือนกันนั่นอันนี้ว่าถึงอา น, นิสงส์พุที่บําเพเ็ญสมะธรรมมันจะชาติก่อนโน้นยังอ ก, กิจมาแล้วมาชาติต่อมาเนี่ยมันไม่ยากว่านละวรนลูกบักขน สิ่ง น, นว่าถึงปัจจุบันเหตุปัจจุบันที่เรากระทําคือเราเพียรพยายามทำอยู่สม่ําเสมอทำมากเข้ามากเข้ามัน ก, ก็เป็นจร่งแล้วนี้อัตมานับเคยผ่านในเรื่องการการกระทําอย่างนี้มาคือเดินเอาสองนิบทเคยปารกของเพียรสอนอิบทอิบทหนึ่งคือเดินบฏ ที่สองคืนคอนั่งเพราะในขณะที่ใจมันยังไม่รับความสงบนั่นนะเราจะไปนั่งมันทนไม่ไหวคือเจ็บแข้งเจ็บขาอยางมากก็สิบห้านาทีเกือบตายเลยใจไม่สงบเป็นยาง้งมันยึดกายเราเคยนั่งทับขามากไปเอาเดินเดินจยกมมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนถ้ามันอยู่ป่าแล้วมันทำได้ ในป่าในป่ามันร่มลื่นต้นไม้หมวดครั้งแรกเป็นสามเณรก็ไปภาวนาอยู่ป่าป่าไร่ไม่เป็นป่าไร่กลางวันก็เดินจมกลมได้ตลอดวันพอฉันข้าวเสร็จสรรแล้วก็เก็บบาตราเก็บบ่อดขาวเสร็จสรรก็ไปเดินจม ก, กลมพอมาเหนื่อยแล้วก็ไปนั่งพักที่เก้าอี้ทีหายเหนื่อยแล้วก็ไปเดินอีกเดินพุโทโธไม่เอาอย่างอื่น พุทโธนะนึกไปพุทโธพุทโ ธ, ทธบางที่ก็ะวอยหือไปที่ไหนก็รู้ทีพุ่นเมื่อตอนค้าข้ามขึ้นมาดึงพุทโธพุทโธมันหิวเข้าจริงอยากเข้าพอาบวชใหม่กินเท่าไรกระวออิ่มพอตอนเช้าก็พอถึงเช้ามันก็ใส่เอาใสา่เอาใสา่เอาจนท้องตึงเต็มอัตานะโคชเนมะคำว่าโคชเนะมัดตันอยู่ตา ไม่ใช่อย่างนั้นเราเล่นโพชเนยยัดเต็มอัตตาจนท้องเกืบฉี่กันหลยแต่พอลงจากสาราไปเดินไปล้างบาตรลงละท้องมันลงแล้วอาหารยุบไปแล้วยังเข้าเหลือบานยังใส่เข้าไปได้อีกถึงขนาดนั้นมันก็ยังอยู่ท้องตอนเย็นๆมาหิวอีกแล้ ว, ลวมันหิวมากไปก็เอาใสา่กินน้ำเอา เวลาถึงเวลาคิดถึงน้ําชากาแฟอย่างนี้นะน้ำอ้อยน้ําตาลนี่ยิงหายากอยู่ป่าอาศัยกินน้ํากับน้นําเฉยๆน้ําธรรมดาบรรเทาความหิวอแล้วเมื่อทํามากเข้ามาเข้ามาเข้าเวลามันจะเป็นมันบึ้บบึบกิจใจมันเข้าสู่ครับจะงบไปได้เลยนั่นลงเขาเองเลยเราจะไปลงเองทําเองไม่ได้มันต้องเป็นเขาเอง ถ้าความเพียรพอแล้วมันก็เป็นแล้วความเพียรได้มันติดต่อทําติดต่อมันก็เป็ดอันนี้จะมาภาวนาพุทโธติดต่องั้นะไปเวลานั่งเอาเวลาเห็นสองคนนั่ง น, นอนนอนก็นั่งนอนพุทโธพุทโธพุทโธไปจะบรรลับไปพอตื่นขึ้นมานึกพุทโธอีกต่อลุกขึ้นมานั่งภาวนาอีก มาเราเพียรพยายามรักษาใจของเราไว้ในอย่างเดียวเรื่องเดียวอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องในชาจิตมันก็เป็ดก็สงบลงไปเองที่มาอีกครั้งที่สองคือจิตใจระดับนั้นเมื่อจะเทียบเทียมพิจารณาขนาดนี้จิตจะทึบสงบเองมันเป็นแค่อุปจารสมาธิเท่ทานั้นแหละคือเมื่อจิตลงเข้าฐานพบอย่าง อัมิตต่างๆมันไม่มีหรอกที่จะไปเห็นนั่นเห็นนี่มันไม่มีบางคนนภาวนาเห็นนั่นเห็นนี่คือกิจไม่เข้าสู่ฐานแห่งความสงบมันเป็นไปจนจนจะเข้าจนจนใจสงบเท่านั้นมันจะเกิดดิมิตเราจะเห็นได้ในขณะที่คนคนจะหลับก็ก่อนครับก่อนหลับครับเคิร์มเหมือนเคิร์มมันต้องฝัน ฝันชัดเจนทีเดียวตอนนั้นแล้วเมื่อหลับลงสนิทแล้วมันไม่ฝันแล้วคนฝันก่อนใกล้จะหลับเป็นฝันแล้วก็ฝันตอนใกล้จะตื่นคือตื่นขึ้นมาแล้วล่ะแต่ว่าจิตมันไม่ยังไม่มีความรู้สึกตัวทั้งหมดงไวนถอนจากผวงังโงหะทั้งหมดก็ฝันเป็นตุลเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียว ีเมื่อทำมากเข้ามาเข้าไปที่ถ้าผาเจลุยไปภาวนายอยู่ที่ถ้าผาเจดูษาอันตั้งงตั้งหกปีทีนี้ก็เรียกว่าทั้งทั้งที่ทตมาก็ผ่านรักษาความสงบาามานานมัาเรียนจ น, จ น, จ, นจนได้มหาตานนั้นก็ยังว่ชาลาดในธรรมว่าชาลาดที่จะทํา ม, มาไปใช้รู้อยู่ธรรมาเวทและธรรมชั้นเอกกรรมฐ า, านอย่างนั้นอย่างไม่มี เราควาสามารถที่จะไปใช้ถูกต้องได้คือใช้ไม่เป็นมัน เ, เดี๋ยวง่ายๆเหมือนว่าอาวุธยุทธภัณฑ์อย่างว่าฝึกปืนเขาที่จะใช้อย่างไั้นอย่างนี้ลองคนไม่ได้ฝึกหัดใช้ปืนช่างยิงไม่เป็นนี่เราไม่ทำมากเหมือนกันถ้าไม่ได้รับแนะนําจากครูอาจารย์จับอันนั้นมาใส่อันนั้นจับมานนีนะ้มันยากแล้วเกน เอาไปทั้งดุนมันไม่ได้ต้องจับใส่ให้ถูกที่ถึงจะใช้ได้แต่ตอนนั้นก็มาคิดว่าเออจิตใจของเรามันยังไม่รู้ไม่เห็นอย่างคนอื่นเขาเห็นเรื่องยังสงสัยในเรื่องเห็นเห็นต่างๆที่คนอื่นเขาเห็นหนึ่งนะเรานี่มันไม่เห็นอะไรไม่ได้สงบอยู่ข้างนาในเฉยๆ แต่ก็รู้ตัวว่าเมื่อใจมันสงบอยู่อย่างนั้นได้มันกิเลสทั้งหลายมันบันเทาคือความกำหนัดย้มใจในเรื่องรักๆใคร้ายๆมันไม่มีแต่ว่ามันไม่เห็นคือมันไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตเลยเห็นนรกเข็นสวรรค์เห็นผีปูดผีปีศาจอะไรนี่อยู่ที่นั่นที่นี่นมันไม่ไมเหตุกําหนดไปเห็นพอไม่มีแสงสว่าง ก็เลยว่าเออทางนั้นเราจะเป็นเต้าสร้างมัใช่บ้างก็ไปได้หนังสือท่านพอีท่านพอดีนะท่านเล่นอนา ป, ปากําหนดลมหายใจเข้าออกวิธีการของท่านก็คือกําหนดลมหายใจเข้าออกตั้งฐานทั้งแรกก็เอาตั้งฐานไว้ที่ปลายจมูกก็ล้วนขึ้นไปที่ดั้งที่หน้าผาก็ไปที่สมองล้วนลงไปตรงถึงที่ที่คอหอย เลื่อนลงไปถึงสองอกท่านวิธีตา อ, อปฏิบัติอย่างนั้นให้เราตั้งฐานอย่างนั้นจะได้อมีอภิญญาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยากจะได้อภิญญาอย่างท่านที่ว่านความจริงนั้นมันเป็นความเข้าใจผิดของตัวเองที่ทำธรรมะที่ท่านว่ามันถูกต้องแต่ว่าเราใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกก็ก็ใช้อย่างนั้นก็เรียกว่าบังคับจิตทางแรก ไฟที่ลมหายใจเขาอยู่อย่างนั้นนะไม่เอาจิตให้มันลงสู่ความสงบอีกเลยเมื่อก่อนนั้นพอจะสงบก็ประคองใจเขาพับเข้าสู่จุดที่จุดรู้ได้เลยแน่ใหญ่แน่วเลยข้ามทุกเวทนาได้ทันทีความเจ็บปวดร่างกายไม่มีอะไฟทีนี้ไม่ให้จิตลงบังคับจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าออก หายใจเข้ากับรู้หายใจออกกัรู้เรียกว่ารู้อยู่ที่ลมกันแล้วกันไม่ให้จิดลงไปมันผูกมันอยู่ที่ลมนั่นนี่เมื่อใจไม่ลงสู่ความสงบมันก็เกิดฟุง้งซ่านมันก็ถอนออกจากสมาธิเองเรียกว่าทําไว้นานเน่ะเล่นอยู่นานเมื่อมาเล่นอยู่นานอย่างนั้นใ จ, ใจมันไม่ลงแจมก็ถอนจากสมาธินอง เมื่อใจมันถอนจากสมาธิเอาลงอย่างเก่ามันไม่ลงเนี่ยเอาลงได้อยู่รู้จักที่เขามานนะแต่มันค้างเยมันไม่จมไม่จมคือปีติสุขมันไม่เกิดสมาธิที่จะให้มันเป็นเครื่องดูไปจารสมาต้องมีปีติสุขเกิดขึ้นในจุดที่ตั้งใช้เท่าไปตั้งรู้อยู่กับรู้อยู่อย่างนั้นมันก็ร้อนร้มันมันมันไม่อยู่อ่ะมันต้อง มีปิติชุ่มชู้เกิดขึ้นมันจริงจะหนึ่งนอนอยู่ได้หมายปีณนะาขณะนี้ก็เรียกว่าเรามันโ ง, ง่ทั้งหัววิธีการที่เราทำอย่างมันเป็นการเผากิเลสธรรมดาเมื่อเราเผากิเลสมากเข้ามาก็เราก็ประคองใจของเราให้เข้าสู่จุดรู้มันก็ใช้ได้ปิติสุขก็เกิดแต่นี่เราไม่เอาใจลงเป็นการเล่นอย่างนั้น ว่ามันจะวิเศษกําหนดลมไว้อย่างนั้นที่ฐานนั้นฐานมันจะวิเศษที่ไหนได้เพลินไปเอาจิตคราวนี้จิตไม่ลงเอาลงที่มันไม่ลงเลยที่มันมันอยู่ข้างนอกนานมา <c oughs> แตการสุดท้ายกัน <c oughs> เห็นว่ามันไม่ได้ความ <c oughs> จิตมันก็ฟุ้งซ่านใหญ่บอกว่าท่านาเอาดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ากําหนดไว้ลมนี้เอาเอามันตายดีกว่าให้มันตายกับลมดีกว่ากําหนดไว้ หายใจเข้าออกเข้าไม่ไม่ได้ใช้พุทโธขนนั้นหายใจเข้าหายชจอก็รู้เอาปลายจมูกที่เป็นที่หมายจะเดินเดินจ็รู้เอาใจรู้ไว้ที่ปลายจมูกได้ลมเข้าลมเราก็จดจอไว้ที่ปลายจมูกจะนั่งก้าไว้ตรงนั้นบังคับจิตขนาดนั้นทั้งสามวันสามเกนที่บังคับ รู้สึกว่ามันร้อนมากเลยคุเมื่อก่อนนั่นแปลว่าอาตาโปความเพียรยัางกิเลสให้เราร้อนนึกว่ากิเลสจะมันร้อนที่ไหนได้ใจขอ ง, ของมันร้อนเขาจะตายเพราะกิเลสมันอยู่ที่ใจเรื่องมันเราไปแปลแต่ว่ากิเลสมันร้อนกความจริงนวใจของเรามันร้อนนั่นเอง <c oughs> เมื่อเหมา้อนมากเข้ามาเข้าคนเราเน่ะถ้าเจอทุกข์มากเข้าแล้วมันก็จะคิดหาทางมันจึงมีปัญญาหาทางออกถ้าว่าไม่ได้รับความทุกข์ยากหรอกมันไม่ดิ้นหรอกมนุษย์แม้ธรรมดาธรรมดาทั่วไปถ้าไม่มีทุกข์แล้วมันมันไม่ดิ้นมันสบายนะแต่ว่าถ้าดิ้นถูกทางแล้วก็เป็นประโยชน์พอบางคนน่ะถูกทุกข์เข้าแล้วมไม่มีปัญญาดิ้นไปผิดทาง กลับไปเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเอง <c oughs> <c oughs> ให้ทำลองเดียวกันที่จะมาบังคับจิตกรรมกั น, กนแต่กับเพาะเราเคยปฏิบัติในทางด้านสมาธิภาวนามาความฉลาดมันจึงมีขึ้นเป็นยังไงจึงนึกขึ้นมาว่านึกขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันจึงทุกข์ยากลำบากเล้วเกินคาสอนเขาปฏิจจาวหรือครูบาอาจารย์ก็สอนมาให้ตั้งใจว่าในในกรรมาฐานตลอด จะไปปล่อยใจไปที่อืนน่นอ่านทางหนเราก็ตั้งใจไว้ในเข้ามาฐานตลอดคือความหมายใจเขาตลอดมันได้เอาไปที่ไหนครับถ้ามันจริงทุกยากลําบากมากแล้วเกิดพอสํานึกขึ้นมาอย่างนี้ก็นิ่งจิตทั่วขนาดมันมีสิ่งหนึ่งผุดขึ้นมาในจิตมันผุดดังขึ้นมาเหมือนกำลังพูดอย่างนแต่ไม่ได้พูด มันมีเสียงดังขึ้นมาบอกให้ปล่อยวางเะวางรู้ทันทีว่าปล่อยวางอะไรก็หมายถึงปล่อยวางที่เราบังคับจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าออกตลอดมาทั้งวันสามคืนหนึ่งสามวันสามคืนที่บังคับจิตไม่ให้จิตลงยังมีสำนัญกว่าปล่อยวางเสรู้ว่าปล่อยวางก็ปล่อยเอา้าวางก็วาง พอเนึกว่าจะวา ง, งนั้นนาจิกกูเข้าสู่ความสงบนะลงไปเลยคราวนี้นะ่ะแน่นหนาเต็มทีรู้ตัวไปเออเราไม่ตายกันไม่ตายแล้วเราไม่ตายแล้วทาไมเขถึงขนาดนี้แย่ แ, ยแล้วเราจะอยู่ในศาสนาไม่ได้หนละังแต่นั้นมาทีนี้ปัญญามเกิดขึ้นมาเองมันะพูดขึ้นมาเองรู้เหตุรู้ผลไม่กลัวความคิด เมื่อก่อนนะักลัวความคิดมีตลบไม่จิตไปคิดตึงปรุงแตง่งแต่เมื่อใจมันเป็นอย่างนั้นมันใช้ความคิดเป็นรู้ตัวกันว่าคิดเราคิดโง่เมื่อใช้ความคิดมันโง่มันก็ทรมานตัวเองทําตัวให้เดือดร้อนเราคิดไม่โง่ก็คือคิดคิดให้มันสุด เอาหลักคำสอนทุกที่ทีเจ้าไปเป็นแม่บทคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไปยันที่ยันทุกขาราตตาทางนั้นเข้าถึงความแก่เจ็บตายอย่างเดียวหมดจบลงตรงนั้นไม่มีที่อื่นที่จะไปจากนั้นจึงรู้ขึ้นมาว่าคิดเพื่อเพื่ออะไร่อคิดให้มันสุดคิดเพื่อให้รู้อันไหนที่อยาจ้องวิจารณ์วิจยัยด้วยเหตุเพาก็คิดเพื่อมันรู้จักมนจึงได้หลัก ในการกําหนดจิตพิจารณาจิตกําหนดกายพิจารณกายได้หลักฐานมาอนี้ว่าถึงวิธีการที่เคยปฏิบัติเล่าให้ฟังไว้ต้องเราเวลาทําเราปฏิบัตนะิมันก็ต้องทุกข์ยากลำ บ, บากแต่เมื่อเราทําสม่ําเสมอแล้วมันก็ต้องเป็นแะเราไม่ต้องคํานึงว่าเออขนานี้เราเป็นอย่างนั้นท่านเป็นพระเป็นเจ้าอาจจะเก่งกว่าเราเราเป็นญาติเป็นโยมคงจะ ไม่ได้อย่างท่านถ้าเราไปอ้างอย่างนั้นเราไม่ได้ทำํำเราต้องเป็ว่าต้องทําืึกลัดกรามู้ที่เจ้ารสอนให้เชื่อกรรมเราก็ให้ทํารียกว่าธรรมมาโนธรรมะปฏิปฏิปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติไปส ม, มสม่ำเสมอนะบางท่านว่าเอา ปฏิบัตต้องอา้าวหนึง่งต้องมีศินห้าสินแปดให้บริบูรณ์นะมีอย่างนี้น้อยก็ต้องสินห้าบริบูรณ์จึงจะสามารถทําสมาธิเกิดขึ้นบางคนก็ไปอ้างอย่างนั้นอันนั้นสีนห้าสินบางทีนะสินห้าบริสุทธิ์บ้า ง, า ง, างไม่เุทธนะิไม่ไปนักก่อให้ตั้งใจเมื่อใจสงบลงแล้วเหมืนสินมันจะเกิดขึ้นมาสินจะมาทานทั้งหลายที่เราสากันนั่นนะมันเป็นสีนปรามาตย์ คืออย่างรูปคําแต่นานาว่าศีนั้นไม่มีอะไรสักข้อเดียวเลยมันก็ใช้ไม่ได้มันเพราะว่ามันเป็นบาปขวางจิตเหมือนกันไม่สามารถที่จะทําจิตให้เข้าสู่ความสงบได้เหมือนกับมันขวางเหมือนกันแต่เมื่อใจของเรามันไม่ผวงแล้วมันก็ไม่เป็นไรถ้าไปผวงว่าเออศีนของเรามันไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นไม่ดืมมันใจไม่ลงหรอก ถ้ายอมเสียสละเอาอะไรเป็นอะไรเ ป, เ, ป เ, ปเป็นเป็นกําหนดกิจของตัวเองไปเรื่อยๆมันก็เป็นของมันเองได้รู้ขึ้นมาถึงภายหลังมาทําอย่างนี้ดําเนินอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้อทุกคนที่พากันมาพูดปฏิบัติในทางศาสนาจงพากันเข้าใจว่าขึ้นอยู่ที่การกระทําคือความเพียรของพวกเราทุกคนทำสม่ำเสมอ แ, แล้วก็ต้องเป็นไปต้องมีต้องเป็นแน่นอนอันดับแรก หายทางหายใจของเราต้องได้สงบสองครั้งจึงจะเข้าดําเนินขึ้นสู่ขั้นตอนของอภิปนาสงบครั้งที่หนึ่งเรือกอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินะ่นมีอุบายวิธีหลายอย่างทั้งใช้ความคิดทั้งใช้บังคับจิตให้ลงสู่ความสงบให้ได้เมื่อไม่ได้หล้เราใช้อนาบาคือกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่พาปฏิบัติ ทำให้มันมากๆครับแต่ว่าการกระโดดลมหายใจกรับเราจะใช้ลมตลอดนั้นไม่ได้เราต้องรู้จักกําหนดกำหน ด, ล, นดลมหายใจกรับทรมานจิตเสก่อนให้จิตมันร้อนเสก่อนเมื่อจิตสั่งออร้อนเสร็จก็ตั้งจิต <c oughs> คือพอคองจิตเข้าสู่จุดรู้จนกว่าความรู้สึกนั้นมันจะแน่วแน่ในจุดนะก็ต้องทําอย่างนั้น ถ้าคนได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็ถ้าจะให้มันลงเองอะ่ะโดยมากไม่ค่อยจะลงแต่คนไม่ได้ยินฟังมากอ ย, ามมอย่างพุทโธธรรมโสดังคนมันก็ลงได้เองเลยแต่ถ้ามันผ่านอะไรต่างๆอย่างเง้ยเราจะใช้อย่างนั้นลมตลอดมันไม่ลงเองแต่ว่าต้องทำให้นานนองแล้วก็หยุดคลายหัวทำให้มันเหนื่อยเขกก่อนแล้วก็หยุดตร้งจิต เมื่อเราตั้งจิตกำหนดจิตได้แล้วทีนี้วิธีการต่อไปขั้นที่2องเพื่อจะให้จิตสงบก็คือให้กำหนดกายพินาศกายเพื่อให้ใจนั่นเห็นกายใจเห็นกายนั่เห็น2อย่างเห็นอกเป็นอกนิมิตแล้วก็จับอุกนิมิตได้ดูต่อไปจนก็จะเกิดเกิดปฏิภาคคือเห็นกายทั้งหมดต่อจากนั้นใจจึงจะเข้าสงบครั้งที่2เรที่ว่าปัญหาสมาธิคนน อปนาสมาธิอันนี้เป็นของผุทธิชาโดยตรงถ้าเห็นกายแล้วอัปอปนาสมาธินั่นะจะเป็นทางให้เกิดวิปัสสนาญาณแต่ถ้าเป็น